วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมพุทธศักราชสอง7ันห้าห้าสิบ็ดวันที่ยี่สิบเก้าเขาจัดงานที่วัดสุดทาวาสจังหวัดสกล น, นครครอบรอบวันประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหกสิบกว่าปีนมันหกสิบสองมันหกสิบอะไรหลวงพ่อก็อนบรเบิงใน กิจนิมมนบนหัวหกสบกว่าปีตั้งแต่เก้าสิบสองมาเน่ปีเก้าสิบสามที่ประชุมเพิ่งหลวงปู่มันวันที่สองกลุ่มผ้าพันสองพันสี่อยเก้าสิบสามประชุมเพิ่งหลวงปู่มันแล้วก็ทำมาทุทกปีปีนี้ก็ เกล่อตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันแรกบวชชีพรามแล้วก็พาสงเขาม่าแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงถ้ำมาหลวงพ่อแสดงถ้ำครั้งนึ่งน่ะเขยไปเธอหนึ่งและสองเธอเน่ะหลวงพ่อไปเทศอยู่วัดชุตถาวาดแต่ปีนี้พนนิมนต์เอกหลวงพ่อคงจะได้ไปเทศวันที่ ยี่บเก้าตอนเย็นประมาณสองทุ่มพอวันที่สามสิบเนี่เป็นวันครบรอบหลวงตาเฮาเด้วันมรณะภาพของหลวงตาแต่วันที่สามสิบหลวงพ่อขุคองจะกลับมาจากวัดชุดทวายพักอยูมมองได้โมนึงตอนเช้าเขาจะเข้ามามินทบาดชั้นครบรอบวันมรณะภาพ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 มันไกลกันแล้วก็กลางเต็นหยากกันเลยมาร่วมใช้กันเป็นวันเดียวคือวันที่สามสิบแล้วก็ปีนี้มันเจอกับเป็นวันไหวเจ้าอีกของพี่น้องเจ้าจีนเป็นวันไหวเจ้าเขบพี่ยังพอลงตาก็คือเจ้าพูดถึงขึ้นกันนะ่ะเจ้าใหญ่ลูกหลานมาไหวเจ้ากับลงตากระได้เป็น่ยัง ทำบุญก็ลงตาลงตายิ่งหมดจดจากกิเลสอีกต่างหากลูกหลานทุกูทุกคนกับมะมาทาบุญทําท่านมากราบมาไหว้วันครบรอบวันมรณะภาพของลงตาวันที่สามสิบกราปีนี้เป็นปีที่สามส่วนที่จะสางเจดีย์พิพิธภัณฑ์ก็ยัางบอท่านลง เ อ, อ่ยกันอยู่กันยังขอร่อๆฟังแต่ก็คงจะเป็นแนวความคิดของเจ้าอาวาสหลวงพ่อสุดใจกับคณะสงฆ์วัดป่าบรนตาดเป็นผู้ซีคัดจะจะเอาผู้อื่นไปเป็นผู้ซีขาดก็จะว่าเก่าวไกลคือเก่าหลวงพรบอแสดงความคิดเห็นอย่างทั้งหมดตะกรก็บอแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วว่ามิแต่ว่าเอาจังไหนมัซซีหมอคมีแต่บอก แนะนำบอกเกาผู้ตัดสินใจแท้ๆก็คือเจ้าของบ้านเพิ่นนะ่ะอันนี้ก็ถึงมาถึงจุดนี้แล้วกันใคสามาตัดสินใจให้กรยา ก, ยากอยู่ขึ้นเกาบอกไปเพินพ่นพราะถ้าเกิดเรื่องของท่านมีมือท่านมีวันเขาคงจะค่อยไปเรื่อยๆนะพะมันลูกชิดลูกหาหลงตาหลายติดไปตัดสินใจผู้ใดผู้หนึ่งกับผู้ใด ลูกหลายคนเป็นชนะนาหน้าจิตต่างหน้าหน้าทัศนะนาหน้าความคิดหน้าหน้าความเห็นหน้าหน้าความเอต้องการผู้หนึ่งมองเห็นจังนึ่งผู้หนึ่งมองเห็นจังนึงแต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าเป็นอย่างลงพอเนี่ยลงพอบอกมันพวกน่าจะคิดมากพราะสั่งบูชาประคุณหลวงตาเนาะเอาวงไดก็เป็นมงคนมัดน่ะ พอลงตาเป็นบุคคลที่เป็นมงค้นอยู่แล้วถ้าว่าผูดามประเพณีเกาแกดึกดำบันหมา่ามองไรประชุ่มเพิ่งเพิ่งก็เอามองหันแล้วเว่นเสียจะมีเหตุจำเป็นจำเป็นอย่างไรจยงสมเด็จพระสังฆราชจังที่ละพระราชทานเพิ่งในเมนในเมนหลวง วัดเทพศิรินเนี่ยเขาจะไปสางเจดีขอบเม่นหลวงขอก็บแมนแนวอีกคือเขาเข้าต้องไปสางมองอืน่นเอานามันกิดด้วยเหตุจำเป็นด้วยเหตุบงังเรื่องเล่าดยเหตุผลนะอธิฐาว่าเป็นของคู่บาอาจารย์หรือว่าเป็นคนโบร้านเขาตั้งแต่ตึกดำบันมานะ พระเจ้าจักรพรรดิก็ดีคู่บาจารันดูในป่าโถงพงไผ่ก็ดีในเมื่อท่านหลวงรับรับขันไปแล้วอลูกชิดลูกหากะไปเลือกจุดที่จะประชุมเพ่งเพลนหรือถวายเพ่งเพลนหรือประหาัดจันเพ่งเพลน พ, พอประหาัดจันเพ่งเสร็จเรียบรอยกันเขาก็จะสร้างสถูปและเจดีย์ตรงนั้น่ะจุดนั้นละ เป็นที่เขารบกาบไหวสการาบูชาของม้วนมนุษย์นี่แหละพ่อแม่กู้หมาจานหลวงปูหลวงตาเรออืฤพระเจ้าแผ่นดินรือพระเจ้าจักระพัดที่เพิ่หลวงรับดับขันไปได้มาไปชุ่มมงนี้ละกับปักรักเป็นเสาลักเส า, สาเอกประ ก, กาศให้เป็นที่รูจักออพร้อมนาพร้อมตากันในยุคสมัยนั้น พอต่อมากเลือนเือนล่างไปเรื่อยๆเพะเป็นอายุสังขารทีให้สำคัญคือขังแรกก็คงเป็นไปจังสันบริไลเหมือนกับพ่อแม่ห้าวนะพ่อแม่ห้าเนี่พี่ธีพี่ทันเออเอากระดูกไปไหวในถาดแข้างวัดเสาวัดเลือดีที่ทุตตั้งไปกาบทั้งไปไหวพอ่อรุนลูกเนี่ย พ่อรุ่นหลา น, นาลคือม้าเด็กอให้ความสำคัญหน่อยลงไปกราบได้บ่ไปกาบแนะไบนะ้ไปไว้ยได้บ่ไปไว้แนดไปดูแลได้บ่ไปดูแลนะไ ด, นะไดนะ้ลูกตาลรุนหลานพ่อรุนเลนเขามาอาหางเขาม า, ะาอะไรบ่ผมบริพผลประโยชน์พ่อรุ่นหลอนเขามา้าเนี่ยโวยโวจักเอาไปมาแล้วบวจักหัวกระดก ปุญญ า, ายต่ยากเจ้าของอยู่ใสอีต่างหาอบานหากรูมันแตกกำแพงมันแตกไปสงผ่านก็เลยจ๊คมันกระดูกไผ่หวันอายญาหวันการเจือเอินหาไผ่ก็รเจืเอินหาไผ่มันหลายสัวคนล่ะอผลในชู้ก็ตอมตอมแล้วก็เอาไปฟังดินใส่มงไดมองหนึ่งก็เลยแล้วไปนี่แหละเคยเห็นมาที่วอลเลยคือเคยเห็นมาเนี่ยแหละ คือชุดแรกเนี่ยสำคัญชุดที่สองนี่ยความสําคัญร่อยลงชุดที่สามทีีนี่ยก็เมื่อตามลําดับไปเพราะว่าความรักครอบในบรณพระบุรุษพุ่นที่แรกพ่อแม่เนี่ยเปิ้ลก็ะให้ทุกอย่างสําหรับลูกพ่อที่สองกับหลานก็ยังได้รับมรดกจากพ่อแม่พ่อตึงเรนเนี่ลืมแล้วบัณเนี่ยมันเลื่อนล่างฮะ อันนี้คื อ, คอโลกแต่ส่วนถ้ำหม่าเนี่ยชนธรรมานยังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเลนดานถึงสองพันกว่าปีผวกเข้านับถือเหลื่อมใสในถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็าให้ความสําคัญว่าอันนึ่คือประทาดพระพุทธเจ้าอันนึ่พระพุทธเจ้าเคยมาประทับรหรือเสด็จหรือแบบมีประวัติจังใดศึกษา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 เรสุดแท้แต่ไผ่จะกอรูปขึ้นมากพอกกนกอรูปขึ้นมากแหละเออเนี่ยพอพุทธพอพุทธลูกเป็นอยงนี่แล้วนะพระพุทธเจ้าที่ผนประกาศพระธรรมคัมศัล อ, ออกมาเนี่ยพพระธรรมคัมศัลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่แหละองค์นี่หล่ ะ, ล, ะลักษณะแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าฮะพวกเข้ากับกาบกรา บ, ราบถึงกอเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายเป็นท้องเหลืองที่กอขึ้นมากอันนี้คือหุบผาที่เป็นดินเหนียวกับกาบ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 พระวนาอาได้สําเร็จเป็นพระรหัสแบบใดทําแบบใดคือปรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิลนบอกประกาศเพราะว่หนึ่งเข้าเขาหลบในพระปรมคําสอนของเพิลนเข้าก็เลยเขารลบในรูปของเพิลนว่ารูปของเพิลนเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้คือรูปพระพุทธโลกจะเป็นยิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นทองเหลืองทองแดงอย่งก็ตาม เขาก็กกาบด้วยความสนิทใจคือกาบประคุณนะมาคิดมาพูดเรื่องนี้ก็มาคิดถึงหลวงปู่หลาหลวงปู่ลาเข้าน่ยหลวงปู่หลาผู้เจ้าก้อนสมัยหนึ่งมันไปอยู่ผู้เก่านีผู้เก่านี่ยก็คือผู้เก่านี่ยคือคุณแม่ชี้แก้วนี่แหละคุณแม่ชี้แก้วแม่ยิ่งแล้วก็คุณญาของหลวงพ่อเนี่ยนะมีสี่หาหกคน อยู่น้ำกันทำไมเนี่ยอาจารย์พันธเป็นเจ้าอาวาสเขาอยู่อีกทำหนึงพวกไม่ชีเนี่ยอยู่อีกทำหนึง่มงมหาญามูเว่นมาบ่ได้พวกไม่ชีเนี่ยไปหานอนอไหมวนออกไปไปหานอไหมเป็นลงไปลงไปในห่วยมันตำตำในตีนผูมันเป็นห่วยมันมีดินเหนียวได้บ่ได้พ่อมาดินเหนียวแลยเกิดเอามาปั่นเป็นหูพระปนาขึ้นมาหอดทำมองหนึง่งวนออกไป คือมะฮอตทำมองเนองนมาปั่นเป็นพระเอาดินเหนียวมาปัน่นกัคือยังปูยิ่งปั่นแล้วต่อไปพอปั่นแล้วกัดเม่เย่ยมาญาเราไปาพ่อปั่นแล้วกัดเฮ็ดอย่างไรวันนี้เป็นพระเลยเอาไปไหว้พวกนึงปั่นเอาไปไปไหว้คนไปเอาไปไหว้เนธทำไปตีดินเหนียวมันเหนียวแตก่อนนี้จะค่อยปั่นมาอาไปพ่อปั่นแล้วก็ดนั้ไปไหว้ในธทำทำดูน ทางเทิงแล้วก็แล้วละวะเพราะแล้ ว, ว, ลวต่างก้นต่างกาบเราเป็นพระเลยเน๊ะคุณแม่กะกาบพ่อคุณแม่ไปกะกาบพ่อไปพ่อมั่นเราไปบันแล้วก็ไหวหันว่าถ้าต่อมาพระสงไปบัตรหลวงปู่สมชยัยวัดเขาสุกิมเนาะไปพ่อไปฮนะนาะยูซือนววี่ยหรือ่างูกระป๋าตอสเนะี่ยกัดพระเราไปโอ้อาการนักสาหาัสพอสงขวนออกไป เงินงู ก, กัดนุ่มอันมาท่าแล้วลงปูลาผู้เจ้าก้อนเี่ยไปปะนะปอตุงปูสุนช่ายไปแหละงปูลากับไปยู่หันไปจาบรรษาหันพ่อไปอยู่หันพนไปเดินยกรมรงูกระปะนะ่ยงูกระบานี่ยวันน้ว่างูกระบาน่ภาษาไทยว่างูกระปะเนี่ยนูกระปะูเขานะี่ตัวดาๆอ๋อพอเดินโยกรมไปมันหางมานันเด็ดด็ดใช่เ แบบมันบนนีเลยวะเราว่ามันเป็นอย่างวะไปไปเห็นแคลีนีแล้วยังมาอีกมันเป็นไออย่างบ่ะหลวงปู่หลาเดินอยู่โก ม, มหกันก็เป็นยังไงมันเป็นสีของขวา ง, ม, ม, ม, งวามันมันมนบวลงในจิตใจวะเรไปมันมีไออย่างทางั้งไตเนี่วใช่ไหมหลวงปู่หลาวะ่ะหลวงปู่หลา ก, ก็เลยปินีนหนาผาลงไปวะเราไปเอ่อพอไปที่ไหนได้ พระพุทธรูปพวกไม่ชีพคุณแม่แถวคุณแม่ไปปั่นไหวเฮ็ดเมยมาญาอยู่ในธํามันนโนไปพอปั่นผู้หญิงปั่นพระโนไปเโมเป็นสร้างนี่ขึ้นจะกั้นอาปั่นมาโนไปบ้านเราไปตั้งอยู่ในธรํามันบ้านหลวงปู่ลาโอ้ยเป็นอันนี้เองว่าสันเนี่ยเขาภาวนามันเบิ่งเบงแล้วมันจังใดมันมันก็มันมีอย่างอยู่ว่าสันนี่ยแล้วก็งูกับปากัน มันบนยอมหนีเลยว่ามันบนยอมถอยว่าอย่ามาเดินแถวนี่นะอาจารยเออมันโมเมนต์มองเดินนะจะวางจันทร์หรออาจนระยเออบัดแต่หลวงปูหลาก็เลยได้พาอาบน้าแล้วก็ไปโถกขึ้นมาที่ระองค์ละองขึ้นไปไหวบนธรรมที่มันส่งสูงบนบัดเนี่ยเอาขึ้นไปทั้ ง, ท, งทั้งเทิงบนบนัดเนาะไปทั้งเทิงธรรมมันไม่ธรรมมันหลายสันเลยเปิลกระไวใบมองธรรมใหญ่แล้วไใบธรรมน้อยๆขึ้นไปกับนั่น ลงไปหอบมะทีละองค์สององค์เราไปใส่ผ้าขมาบผ้ายโถขึ้นมาปีนเขาขึ้นมาไปว่างไวแ้แหละลงไปเอาเอีกจนมัดปนวะลงปูหลาวปะปอึ้นไปไวแ้แหละพ้นปูหลาก็กราบขึ้นกันนะพูเป็นรูปป่นพุทธลูกด้วยทว่าอย่างไี้ขี้ไร่ก็คือพพุทธลูกนะไปติจะมเม ย, ย่ม่ยากก็คือพุทธลูกเขาปันปป่นเป็นพระพุทธรูกเลยเลยกะพุทธลูกน ะ, กปนปนะไปตามฝีมือออ วาเดีเพื่นก็เลยลงมามาเดินโยกกลมเออบาดในเม็ดงู ต, ตัว น, นั้นก็นง่ายหายเม็ดไปวันเป็นว่าจิตใจก็โล่งโปร่งจิตใจก็คู่สู้ความสงบโอ้พระพุทธลูปอยู่มองบอ่เป็นสถานที่บ่าบังค ว, น, วเนเนี่ยบ่อแม่นแนวดเอออาจารย์เป็นว่าลงปูหลาอาว่า น, นี่แหละอันนี้ก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งคือกันเดีเพื่นไปเดินโยกกลมอยู่ทุ่งสูงกว่าพระพุทธลูกเป็อนอไปเดินโยกกลมอย่นั้น เดินอย่องกรมพาวนาบอ่อลงสมบัติว่ามันมีอย่างอยูอย่ทางใตเนี่ยส่บัติว่าผลเลยปีนลงไปเบิงไปเบิงเห็นพระพุทธรูปแถวคุณแม่ชื่อแก้วปั่นไหววันเระไปนี่แหละกระโบนแน่ขึ้นกันเนี่สมัยนั้นคุณแม่แก้วกับเพิ่มเก่งท่านเกษินขึ้นกันเนี่ยเพิ่นพาวนาขึ้นกันวันเราไปผล อ, อาจจะเพ่งเกษินเพ่งพลังจิตพลังใจเขาไปในกีดินเหนียวก้อนนั้นกระโบหูออกไปยังมีพลัง นี่แะอันนี้ก็คูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับสัทานา ท, ที่ประชุมเพ่งหรือพระราชท่านเพิ่งพ่อแม่คูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มันเลยครเพิ่นประชุมเพ่งตรงโบสถ์โบสถ์วัชุธตวาร่ตเป็นการสางโบสถ์คอมที่ประชุมเพ่งหลวงปู่มันที่หลวงพ่อจะไปเทศนาวาการ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 หลวงตามหาบัวเขียนไว้แล้วก็หลวงปู่ล่าก็ได้เขียนไว้คูบาอาจารย์เถริยุน้องหลวงปู่มันเพิรนก็ได้เขียนไว้คนละแนวความคิดเป็นแนวความคิดให้พวกเขายึดแนวแถวปฏิปทาของเพิ่น์นพอแม่คูบาอาจารย์ผ้าดําเนินเดินตามแนวปฏิปทาเดินตามผูญัยหมาบอกัด อันนี้คือการเดินตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่คู่บ่ายจานผ้าดําเนินแล้วอความจิบหายความหายยนะเขาคงจะบวเกิดพบเพลินผ่านไปแล้วหมองหนีเนอะเป็นทีปลอดภัยเนอะอ บ, บ่มีผิด บ, บ่มีพัยเนอะเดินแบบนี้เป็นเดินมาแล้วเข้าก็เดินตามแนวแถวเพลินผ้าเดินก็เข้าก็จะถึงทีปลอดภัยคือกันครับเพล่น เป็นยังวัตีปลอดภัยคือกันกระเพิ่นเพิ่นเอพิ่นภาวานามากกนเท่าแล้วเมื่อเพิ่นหลวงรับรับขันเมื่อเพิ่นตายไปแล้วผ่ไงไงเมื่อในพระราชท่านเพิ่งไปชุ่มเพิ่งเพิ่นกระดูกของเพิ่นก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเข้าได้เห็นกระดูกลงปูเขากระดูกลงปูพ่มกระดูกคูบาดจันด้วนแล้วจะเป็นพระธาตุเป็นเม็ดกลมๆเป็นแก้วเป็น เพชรนิ่งินดาสุดแทะแต่เป็นหินเป็นแก้วก็มีนี่แหละอันนี้ก็คือกระดูกของพระอระหันต์ตามตำรับตำล่าตามพระไตปิดกเพนยืนหยันจังสั้นเพราะนั้นเพลย์เดินมาแบบไหกระดูกเพนยังเป็นจังสั้นเพลย์เดินเลยตามแนวปฏิปทาตามตามถ้ำลึกคิดของเพนย์เพลย์บอกเพลย์กล่าวไว้เข้าก็ยึดตามแนวแถวนั้นล่ะพวกเขาก็จะได้เดิน ถึงจุดหมายปลายทางยังพอแม่กูบายจานพวกเฮาพาดําเนินไ่เนี่ยแหละท่าว่าพวกเฮาเดินตามเพลิอนออืปลอดภัยคำนว่าเดินออกนอกลูนอ ก, นอกทางเห็นเขาอยากได้ลาบก็อยากได้ลาบน้าค้นอยากได้ยศก็อยากได้ยศน้าเขาเ อ, อโบจักผีสางนา่งฝ่าเขามาสิงมาส่งเป็นหมอดูหมอเดาอันไดมันสีดังกันอกไปเฮ้ มันอยากยุคการเหตุจังจันทระแปลว่าออกนอกลูนอกทางบอเดินตามแนวแถวคู่บ่าจานผ้าเดินพวกรุ่นเหรนรุ่นหลานต่อไปไพ่ภาคานาน่ะหาจุดเดือนบ่อใดไรบานเนี่พอรุ่นรุ่นพีผ้าเดินอบ่ อ, บอถึกตามแน่วแถวเลยเพราะนั้นรุ่น อ, อพอแม่ผ้าเดินยังได้ลูกเต่าเราหลานก็ควรจะเดินตามแนวอย่าให้มันพลิกแปลกแวกแนวหลายเ อ, อถึงจะเป็น ยกให้เทคระบายยกมันเป็นยังสัน้นเนาะทเดินตามพ่อแม่คู่บ่ายจานคือก่อกระบาได้แล้วพ่อแม่คู่บ่ายจานต่ก่อนมิแต่ยางเออเปิลโมมีรถเขาก็จะไปยางน้าเพลนแบบเพิลนกบบระบาดได้แล้วแมนอยู่แนวประยุกต์เข้าใช่เข้าปรใชั ย, ชยแต่ย่าให้มันเกินไปไอโบเมนโมมี่มีรถกันทู่นเฮอขายวัดขายว่าเอาวัดไปจำน่องจำหน้าไปซื้อรถมาขี่ มันก็เกินไปขึ้นกันมันต้องอุจจารประม่านต้นกานว่าใดมากโดยเป็นถ้ำเห็ุยังไงโดยเป็นถ้ำมันก็อีกแนวนึงไงถ้ามันเกินไปมันก็ขึ้นเกินไปขึ้นเก่านั่นแหละอืย่างลงปูหลาว่าเนี่ยเงินไปบอกบัดบอกเบอร์เขาได้เงินมากเขาเอามาทำบุญทำท่านการช่างสั่นหน่อยจะไปหากลิ่นกินเลยไปหาสู่อบายตกนรกมกใหม่ คัน้นโมมีแนวกินแต่กินใบไม้แห้งกินขี้ดินคือขี้เสือเดือนเนะี่ยยังบอเป็นบาปพนวะหลงปูลาวะเอออย่าไปหากินเนียมันบอถูกบ่กต้องเออกินนั่นแหะกินก่อนเล็กแดงมิถุนเอาไปส้วะใบตกนรกมกใหม่อย่าไปหากินเนียมันบอกเถอะอะจะไปหากินหาใส่เนียมันบกอกเถอะกินใส่ในท่านที่มันถูกต้องขั้นโมมีแนวกินกินใบไม้แห้งกินขี้ดินนะเพื่นวะหลงปูลาวะ